บัณนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของตัานสาธุชนทั้งหลายต่อไปคำถามข้อต่อไปนั้นทนชิตมานบกราบทูลถามว่ากระแสทั้ง ห, ายยหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งฟวงทาจิตของคนของสัตว์ให้หวั่นไหวไปด้วยประการต่างๆ พระองค์กล่าวว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกัน้นกระแสะเหล่านั้นพร ะ, ระพรุทธเจ้าทรงแสดงว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกัน้นกระแสะเหล่านั้นข้อที่ควรกําหนดพินิติจาราจึงมีอยู่สามช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือลักษณะของกระแสะ เป็นคำกล่าวที่อาศัยรูปธรรมเพื่อเรียนรู้นามธรรมกรนี้จะพบว่าลักษณะของกระแสนั้นจะเป็นกระแสนา้ากระแสลมหรือกระแสไฟเมื่อไหลไปกระทบสิ่งใดก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกระสิ่งที่ตนกระทบส่วนจะเปลี่ยนแปลงมากหรือเปลี่ยนแปลงน้อยนั้นก็ขึ้นกับปริมาณความรุนแรงของกระแสหรือการไหลของกระแสเหล่านั้น ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่สามารถมองได้เข้าใจกันได้เห็นกันได้ในที่ตัวตัวไปในที่สุดท่านกย็ยกเอากระแสของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้บุคคลกําหนดพิจารณาเห็นลักษณะของกระแสเหล่านั้นศึกษาบาวิธีในการควบคุมทิศทางของกระแสเหล่านั้นจนถึงก็ปิดกั้นกระแสเหล่านั้นเอาไว้ กระแสะเหล่านี้คือกระแสะของตัณหาได้แก่อาการของจิตที่ไหลไปในอารมณ์ใจกาหนดว่าหน้าใครนับปรารถนาหน้าพอใจกระแสะของานะะซึ่งเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกแลธนะเชิดชูตัวเองหรือว่ายกตนเชียมท่านหรือว่าดูหมิ่นตัวเองกระแสะของทิฏฐ เป็นความคิดเห็นในลักษณะถือรันด้วยวิธีการต่างๆและกระแสของทุจริตคือความคิดการกระทำและกาพูดที่ออกมาในลักษณะก็ให้เกิดเป็นความเดือดร้อนขึ้นตั้งแต่ตนบ้างแก่บุคคลอื่นบ้างหรือบางครั้งก็แก่ตนฝ่ายเดียวและเป็นกระแสของกิเลส จะมาเกิดขึ้นแล้วทําจิตใจของบุคคลให้ขุดหมวเศร้ามองไปกระแสะเหล่านี้เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นเพียงโวหารและเทศนาที่ได้กล่าวกันมาหลายครั้งที่จริงเป็นการเรียกชื่อของกิเลสซึ่งสัแดงอาการออกมาในลักษณะต่างๆการไหลไปของกระแสะของแห่งตันหานั้นให้สังเกตว่า ตันหาจะเกิดกระทบขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยเงื่อนขายภายในและภายนอกเงื่อนขายภายในคือใจของบุคคลต้องประกอบด้วยตันหาในอารมณ์เหล่านั้นอยู่เงื่อนขายภายนอกก็คือว่าอารมณ์ที่ไหลเข้าทางประสาทสัมผัสคือรูปเสียงกลิ่นรสด้วยเย็นน้อนอ่อนแข็งที่เราเรียกว่าโขตภะ อนไลมากระตุกตาขูจมูกลิงกายนั้นใจซึ่งมีตันหาอยู่ก่อนแล้วรับรู้แล้วกำหนดอารมณ์เหล่านั้นว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยที่นั้นน่าจะต้องเป็นต้นกระแสของตันหาก็จะไหลไปในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นไปตามสูตรของตันหาในอารมณ์ทั้งหล คือจะมีความอยากได้ที่สืบเนื่องกันไปจากสิ่งนี้ไปหาสิ่งโน้นจากสิ่งโน้นไปหาสิ่งนี้เป็นการคืบคลานไปเหมือนกระปิงคือเกาะสิ่งนี้ยกแล้วก็วางแล้วก็เกาะต่อไปบางครั้งดนงประมาเหมือนการเกาะการวางการจับของวานอนที่เล่นไปในป่าก็ไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายตามกระแสของตันหานั้น จึงไม่มียุติอย่างที่พระผู้มพระพักเจ้าทรงชี้ที่เชิงเป็นเชิงรูปธรรมให้เห็นว่าแม่น้ำเสมอด้วยตหาไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าแม่น้ำยังรู้จักเต็มฝั่งหมาสมุตยก็ยังรู้จักเต็มฝั่งแต่ว่าการไหลไปของความอยากความใคร่ในอารมณ์ทั้งหลายของบุคคลทั้งหลาย ซึ่งเกิดขึ้นโดยแรงปักดันต่งต า, านั้นจะไม่มีคําว่าเต็มคําว่าอิ่มคำว่าพอคําว่าหยุดแต่ประการใดแม้บางครั้งบางคราวเป็นการประพฤติกระทำในเรื่องของความดีทั้งหลายก็ยังมีตันทาในผลดีเหล่านั้นจนถึงกับปรารถนาความพบภูมิที่ประนีตขึ้นไปซึ่งกรณีจะพบว่าในชั้นการให้ทานรักษาศีล เรียกว่าการปฏิบัติศีลธรรมนั้นไม่ได้มีปัญหาในชั้นนี้แต่มีปัญหาในชั้นการปฏิบัติพัฒนาจิตใจเพื่อเกิดความสงบระงับดับกระแสของตัณหาลงไปเนื่องจากตัณหาที่มีความรุนแรงลดน้อยลงนั้นบุคคลสามารถอาศัยในลักษณะเป็นญาณภาณนะ ซึ่งจะต้องทอดทิ้งในโอกาสใดโอกาสหนึ่งใช่วงที่ต้องอาศัยเขาก็อาศัยเขาเรื่อยไปอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าอาศัยตัณหาเพื่อรักตัณหาเพราะในกรณีของความอยากในอารมณ์บางอย่างแม้ที่เป็นกุศลซึ่งท่านใช้คำว่าธรรมะตัณหาคือความปรารถนาในธรรมก็มีาการของตัณหาอยู่แต่ตัณหาในลักษณะนี้จะเจือจางตัวเองลงไปโดยลำดับ และจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงกระแสของอีกภากหนึ่งได้แก่นิพพานดังนั้นถ้าบุคคลสังเกตตัวจะพบว่ากระแสแห่งตานหานั้นแกจะไหลด้วยไปในอารมณ์ทั้งหลายแล้วไหลยอยู่ได้ทุกวันแม้แต่ว่าหลับไปแล้วหรือว่านอนไปแล้วตาปิดแล้วหรือหูอาจจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ใต่ใจก็จะเกิดธรรมตัณหาขึ้นมาเหนียวนึกถึงอารมณ์ปรารถนาคอยคว้าอารมณ์ต่างๆแกก็ไหลกันได้ไปบางครั้งมันหลับยังไหลต่อไปหลับปรารถนาไปด้วยประการต่างๆนั่นคือลักษณะของจิตที่เป็นสภาวะความจริงประการหนึ่งของโลกของชีวิตอย่างที่ท่านแสดงไว้ในธรรมมุทเทศข้อที่สี่ว่า โรคพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิม่มเป็นธาตุของตันหานเราะทรงเชียเห็นว่าการเป็นธาตุของตันหานั้นจะประสบความเดือดร้อนธรรมะที่ทรงสั่งสอนในชั้นของการดำรงชีวิตจึงมุ่งลดกระแสของตันหานไม่ใช่มุ่งรับตันหาแต่มุ่งลดกระแสของตันหาในอารมณ์ทั้งหลายให้น้อยลงและลดความรุนแรงในความคลายความประทับเ่านั้น ก้อนี้ไม่ต้องดูอื่นไกลแม้แต่นั่งรถมากระแสกังตาหาแกก็ไหลไปในอารมณ์ต่างๆอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อ่านหนังสือพิมพ์ดูภาพภาพยนต์อ่านหนังสือรวนแรงแต่เกิดอันตาได้ทั้งนั้นเลยประการต่อไปกระแสะของมานะ่ะคือการไหลไปด้วยความรู้สึกเ จ, จิดจูตนเองเช่นถือว่าเราเลิศ ก, กว่าคนอื่น ซึ่งอาจจะไม่เลิศในทุกด้านแล้วก็จับในปมที่ตนคิดว่าตนเลิศกว่าจะมีความรู้เลิศกว่ามีรูปร่างเลิศกว่ามีทรัพย์เลิศกว่ามียานพาหนะเลิศกว่ามีเสื้อผ้าเลิศกว่าเป็นต้นแล้วแต่จะกําหนดเอาแล้วจะเกิดมาญหขึ้นในจุดเหล่านั้นอาจจะเดินไปบนถนอนอาจจะนั่งในรถโอเคนึกเทียบเคียงตนเองกับบุคคลอื่นอยู่เรื่อยซ่งนาากักถามควรมีการวิเคราะห์ตรวจสอบดูจิต วเห่นว่าบางครั้งบางคราวอาศัยรถที่นั่งนี่อาจจะนั่งรถเมย์แต่ว่าเรานั่งรถปรับอากาศเราก็ไปเทียบเคียงกับรถที่ไม่ปรับอากาศก็มีความรู้สึกว่าเรานั่งรถดีกว่าแต่ว่านั่งรถเมย์ด้วยกันก็เปรียบสภาพรถสภาพรถของเราดีกว่าเป็นต้นซึ่งแต่ละอย่างนั้นคือการฟูขึ้นของกิเลสแล้วทำให้ใจก็ไหลไปในอารมณ์ต่างๆ กระแสของ mana นะแกจึงเกิดขึ้นได้ในลักษณะเชิดชูตนเองในลักษณะตีเสมอในลักษณะดูมินย่ำยีตัวเองออกมาด้วยประการต่างๆแล้วเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่ได้เห็นได้ยินได้สุดลมได้ลิ้มได้ถูกต้องนี่ก็คือการไหลไปกระแสการไหลแบบนี้จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่ไหลเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติแต่ไหลเป็นกระแสโลก ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่าท่านพราหมณ์พาวรีก็เดียชิดมานพกดีนั้นสําหรับยุคสมัยนั้นสําหรับคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นคนมีความรู้ความเข้าใจในโลกไมใช่ธรรมดาสามัญประมองเห็นโทษของกระแสในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไมว่าจะเป็นกระแสของตันหากระแสของมา น, นหรือกระแสของจิทิฏฐิกระตั กระแสของทิฏฐินั้นในส่วนที่หยาบๆยาออกมาในรูปของสาักกายทิฏฐิส่วนหยาบคือความเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแบ่งกันไปด้วยประการต่างๆจนถึงก็เชิดชูความรู้สึกความเห็นความเข้าใจของตนในกรณีนี้ผู้ปฏิบัติจะสามารถตั้งสติลึก พิจารณาดูจิตของตอนได้ในแต่ละขณะเช่นเดียวกันคราวนี้ึงดูตัวอย่างในการฟังหรือการอ่านหรือว่ารับรู้จากประสาทสัมผัสส่วนอื่นก็ตามมันจะเกิดความรู้สึกที่เป็นทิฏฐิขึ้นมาภายในใจบางทีก็กระด้างบางทีก็เห็นตามคล้อยตามไปบางทีก็ปากใจไปไรยมุ่งมัน่นยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้น บางครั้งบางคราวก็มีความปักใจลงไปเลยว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงซึ่งในกรณีนี้แม้จะเป็นเรื่องดีแต่ก็ยังเป็นทิฏฐิเป็นความรั้นเป็นการขาดปัญญาสําหรับพีนิพพิจนาถึงสิ่งนั้นๆในยง่ของการฤปฏิบัติบ า, บางอย่างจึงมีความเป็นศีลปฏตปรมาตเวรอำ น, นาจของทิฏฐิ ฉันถือว่าต้องภาวนาพุโทโธเท่านั้นต้องยุบหนอผ่องหนอเท่านั้นต้องสัมมาอราหังเท่านั้นหรือต้องอนาปาเท่านั้นหรือต้องมอนสติเท่านั้นถ้าเท่านั้นแล้วก็ถือว่าเป็นทิฏฐิพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงคําว่าเท่านั้นแต่ว่าการปฏิบัติในลักษณะใดก็ตามที่เพิ่มปูนให้เกิดความสงบขึ้นภายในใจและความสงบที่เกิดขึ้นนั้นสามารถสงบนิวรธรรมทั้ง5ประการได้ การกระทําอย่างนั้นอาจจะนั่งดูแสงไฟอาจจะนั่งดูควนันธูปอาจจะนั่งดูกระแสน้ําอาจจะนั่งดูก้อนเมฆใบไ ม, ไ ม, ไม้ร่วงหรือเสียงนกร้องใจใจสงบจากนิวรธรรมทั้งห้าได้การปฏิบัตินั้นก็เป็นกรรมฐานเป็นสมถกรรมฐานแต่ถ้อหากว่าเกิดความเห็นในลักษณะดังกล่าวคืออย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง อย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นกระแสของทิฏฐิพอกระแสของทิฏฐิมันก็กลายเป็นมานะคือดูหมิ่นคนอื่นแล้วออกมาเป็นตันหาคืออยากให้คนอื่นเหมือนกับตัวเองอยากให้ตัวเองอยากให้คนอื่นยอมรับนั่นถือตัวเองพอคนอื่นไม่ยอมรับนั่นถือก็เกิดโทสะกิเลสมันก็หมุนคลักกันอยู่ในนั้นเองไปไหนไม่ได้หมุนไปหมุนมาก็ชนกันในในอารมณ์ทั้งหลายนั้นในลักษณะของกระแสนั้นก็กลายเป็นน้นําบุญ ซึ่งเป็นอันตรายประการหนึ่งในการดำเนินชีวิตของบุคคลอาการของน้ำานตนั้นจะพบว่าเมื่ออะไรก็ตามตกไปแล้วกจะหมุนหมุนอยู่ในสิ่งนั้นจนแหลกพังพินาศไปในอารมณ์ต่างๆลักษณะน้ำบนทางอารมณ์ก็คือว่าใจไปกำหนัดขัดเคืองรูปหลงมัวเมา อ, อ, อ, อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสรสสัมผัส สมารมทั้งหลายก็หมุนหมุนมันหมุนกันอยู่อย่างนั้นเองไม่มีที่สิ้นสุดเป็นกระแสที่ไหลไหลแล้วก็หมุนหมุนก็กระทบกันไปกระทบกันมาไม่รู้ใครกระทบใครก่อนก็พูดกันเป็นจังหวะกันไปก็ได้แต่ว่าที่จริงก็ต่างคนต่างก็กระทบกันเป็นการไหลคล่อมไปในกิเลส ท, ทั้งทุกกระแสไปเลยต่อจากนั้นก็จะออกมาในรูปของความุมัวเศร้าหมองใจที่อาาช้ว่ากิเลส กิเลสที่จริงก็คือตัณหามานาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มรุมใจได้มากครอบงาใจได้มากใจของคนเราก็เร้ามองขุดมัวไปด้วยประการต่างๆแล้วก็มีความรุนแรงที่ไม่ยอมสงบกระไรกับน้ําพุซึ่งไม่ยอมหยุดยิ่งน้าพุร้อนด้วยแล้วก็ยิ่งไม่ยอมหยุดใจแล้วก็มีความร้อนด้วยลักษณะทางอารมณ์ก็เป็นเช่นนั้น นั่นก็คือการไหลไปของใจในกระแสของอารมณ์ทั้งๆตานาเองก็เป็นกินเลสปรเกิดขึ้นแล้วทําใจให้เศร้าหมองบางครั้งเ้าหมองออกมาในรูปวิ่งไปบางครั้งเศ้าหมองในลักษณะหมุนอยู่กที่บางครั้งเศร้มองในลักษณะซึมเศร้าซึ ม, ซมลึกกัดกร่อนใจกันตัวเองไปโดยลำดับก็ขึ้นอยู่กับว่าตานาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในลักษณะอะไร อาการเข้ามานะก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องการจะให้บุคคลยอมรับสถานะของตนเมื่อเขาไม่ยอมรับก็เกิดโทสะการปราถนาเขายอมรับนั้นก็เป็นตันหานี่เกิดการวิ่งไปวิ่งมาของจิตแกก็ไม่หลุดพ้นจากตะขายหรือว่าหลุดพ้นจากกระแสของอารมณ์หรือของกิเลสจนมาตกอยู่ในวางบนของกิเลสดังลาง่าว ทีนี้ในที่สุดเมื่อสะท้อนออกมาเป็นรูปของพฤติกรรมคือการแสดงออกมาก็กลายเป็นทุจริตทุจริตแปลว่าการประพฤติชั่วประพฤติได้ประพฤติได้ ล, ลาบากเมื่อเรามองดูรูปศัพท์จะเห็นอาการต่อเนื่องกันไปประการแรกก็คือการ ปพฤติยาแต่เป็นการยากสําหรับสุดจริตชนทั้งหลายอย่างที่ทงแสดงไว้ว่าความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่คนดีทําได้ยากความดีคนดีทําได้ง่ายแต่คนชั่วทําได้ยากลักษณนะของทุจริต จ, จึงต้องอาศัยแรงดันของตัณหามำนาจทิจิ จนกลายเป็นกลุ่มรุมใจมีกำลังมากพอจึงออกมาเป็นรูปทุจริตได้นอกจากว่าคนที่มีโทภาโทสะโมหะตันหามากมากอยากได้เป็นเจ้าเรือนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือพรอ้อมจะแสดงออกในทันตีทันใดแต่ถ้าหาก็ความรุนแรงของกิเลสแกไม่มากนักก็ไม่ถึงจะแสดงออกมาเรื่อยๆจะแสดงออกมาแต่ละคราวก็ต่อเมื่อ กระแสของอารมณ์เหล่านั้นมากเนตนหาจัดในอารมณ์ทั้งหลายมานาจัดในอารมณ์ยันใดอย่างหนึ่งขึ้นมาออกมาในรูปของการสบ ป, ประมาทการถูกถูกถูกหมิ่นต่างๆซึ่งบางครั้งบางคราวนั้นเมื่อไปยินข่าวเรื่องราวต่างๆเจ้นผู้บังคับบัญชาถูกผู้ใต้บังคับบัญชาฆ่าแทําอันตรายข้อนี้จะเห็นได้ว่า วเิเคราะจาะลึกกันเป็นแนวอาการเปลี่ยนแปลงทางจิตจะ แ, แสดงให้ว่าผู้บังคับบัญชาก็ต้องประกอบด้วยทุจริตที่เพิ่มพูนกิเลสให้อีกฝ่กกกายหนึ่งซ้ำซ้ำักซักฝ่ายหนึ่งก็เก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้เป็นหน้าตานหามานาทิจิเมื่อปริมาณของแกมากแกก็มีการโต้อตอบออกมาลกลายเป็นการเบียดเบียนทำลายร่างกัน แต่ถ้าแต่เราฝ่ายนั้นพยายามลดของตัวเองแล้วไม่ไปเพิ่มให้คนอื่นเป็นเรื่องน่าคิดว่าคนสามารถเพิ่มกิเลสให้แก่คนอื่นได้ไหมตอบว่าเพิ่มได้ตลอดเพิ่มได้ทั้งด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยยันร้อนร้อนแข็งเพิ่มได้ทั้งด้านด้านบวกด้านลบก็ด้านเพิ่มสายวิชาหรือด้านเพิ่มสายด้านโทมนัสแต่ถ้าต่างคนต่างพยายามลดละของตัวเองแล้วไม่ไปเพิ่มพูนให้แก่บุคคลอื่น ก็จะเริ่มปรับภายในบ้านตัวเองปรับที่ตัวปัจเจกชนแต่ละคนก่อนมีกระแสของตันหามีกระแสของมานะมีกระแสของทิชชีแต่เป็นกระแสที่ไหลธรรมดากระทบอะไรก็นิดนิดเดนหน่นอยไม่ใช่ลักษณะของพายุไต้ฝุ่นพายุโ น, ร, นร้อนหรือน้ำหลากหรือน้าบนแล้วก็ไปไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายธรรมดาจะมีลักษณะเพลิดเพลิน จะเกิดขึ้นกระทบไดนิดหน่อยก็หายไปความรุนแรงที่จะออกมาเป็นทุจริตนั้นออก็เป็นไปได้ยากนอกจากมโนทุจริตส่วนจะเป็นอาการของกิเลสคือคุณมัวเศร้าหมองก็ไม่เศร้าหมองนานก็้ปริมาณแกินน้อยแต่ถ้ามีการเพิ่มให้แก่กันจากการพูดก็ดีจากการกระทําก็ดีการแสดงออกกริยาการต่างๆเพิ่มกิเลสได้แก่คนอื่น ความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าแก้ที่ตัวเองได้แล้วไม่เพิ่มให้คนอื่นอย่างภายในบ้านเรือนนี้จะกลายเป็นสวรรค์ไมมานไปโดยอัตโนมัติทุกคนมีจิตใจสงบยึดกเย็นไม่แสดงกิริยาอาการอะไรที่ให้กระทบใจคนอื่นเาจะกอให้เกิดความกำหนัดกอให้เกิดความขัดเกืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อเกิดความขัดเกรือความสงบก็เกิดขึ้น บ้านก็กลายเป็นสวรรค์วิมานแล้ว จ, จะกลายเป็นวิมานพรมโดยทั้งไปไม่ใช่วิมานเทพเพราะจะอยู่กันด้วยความเมตตากรุณาพร้อมที่จะแสดงออกเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของบุคคลอารมณ์กรณีที่เกิดขึ้นในแต่ละโอกาสในแต่ละขณะตอนการที่บังเกิดออกไปเป็นทุจริตในส่วนมโนทุจริตนั้นแน่นอนเลยเกินว่า ถ้ากระแสตัณหามาณนะทิฏฐิแกขึ้นสู่อารมณ์จนกลายเป็นกิเลสคือกิจใจเร่าร้อนด้วยแรงเร่าร้อนเ้ามองด้วยแรงก็กิเลสแกก็ต้องเป็นมโนทุจริตนั้นธรรมดาแต่ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือเวลาออกมาทางกายกับทางปัจญานั้นปริมาณของแกต้องแรงมากแต่ไม่ ง, งั้นไม่ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่มีหลักธรรมะมา ก, มาก อรไรประการการทาทุจริตนั้นเป็นการกระทายากต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเข้ามาสนับสนุนเป็นนันมากสําหรับคนดีเราถือเป็นเรื่องใหญ่ได้เกินที่จะทําอะไรแต่ละครั้งแต่ละครั้แต่สําหรับคนชั่วไรก็เป็นอีกประการหนึ่งคือง่ายสําหรับเขาในประการต่อไปก็คือเมื่อทําไปแล้วกลายเป็นความชั่วใจที่คิดก็เป็นใจชั่ว ปากที่พูดออกไปก็เป็นปากชั่วกิริยาการที่กระทำก็เป็นอาการชั่วเพราะั้นผลที่กระทบจึงจึงเป็นความทุกข์ากความลำบากความเลวร้ายวยประการต่างๆที่บังเกิดขึ้นนั่นก็คือลักษณะกระแสของอารมณ์ทั้ทงหลายในช่องการปฏริบัติธรรมนั้นให้ลองสังเกตว่า พระพุทธเจ้ามุ่งสอนในชั้นบรรเทาสำหรับคนทั่วไปไม่ว่าในชั้นการให้ทานกรณีการอาศัยศีลกรณีการพืชอ่อนน้อมถ่อมตนกรณีการปฏิบัติภารกิจระหว่างสามีพันดาลูกพ่อแม่ตลอดถึงเพื่อนฝูงเป็นต้นกรณีนั้นที่จึงยังตกอยู่ในกระแสทั้งหมดเพราะการตกไปในกระแสนั้นไม่ว่ากระแสน้ํากระแสลมกระแสไฟอะไรก็ตาม คตราบใดที่เรายังควบคุมทิศทางของยานพาหนะที่ตกอยู่ในกระแสได้หรือแม้แต่ตนเองตกอยู่ไปในกระแสน้ําก็ไม่ใช่ว่าเป็นอันตรายเสมอไปไประเด็นที่เป็นอันตรายก็คือว่าตนไม่สามารถควบคุมทิศทางของการไหลได้คือการพัดผ่านของกระแสน้ํานั้นได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองขาดการทรงตัวตอนนี้ก็เป็นอันตรายแต่ถ้าเราคุมตัวเราได้มันก็เล่นน้ํำสนุกสนานไปได้เหมือนกัน กระแสะลมก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าเราควบคุมทิศทางในการไปท่ามกลางกระแสะลมได้ก็ไม่มีปัญหาเลยที่เป็นอันตรายก็ตอนที่ลมคุมเราน้ําคุมเราเท่านั้นเองแต่เราขาดการทรงตัวกระแสของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเพ่อเป็นการสดแสดงให้เห็นว่าท่านพระพาวรีก็ดีท่านชิตมานกก็ดีนั้น เป็นนักปราชญ์ที่ออกจะพิเศษพิเศษมากสําหรับยุคในสมัยนั้นและแม้แต่ยุคสมัยปัจจุบันก็สามารถมองเห็นโลกที่ออกจะชัดเจนพอสมควรแต่ว่าติดอยู่ที่เครื่องมือในการใช้แต่นั่นเองท่านรู้ท่านเข้าใจโลกเข้าใจลักษณะทางอารมณ์อาการของจิตที่ไหลไปในอารมณ์ต่างๆพอไหลไปสู่กระแสของ ตระหนัมรณาทิฏฐิกิเลสทุตจิตจะทำปฏิกิริยาต่อจิตจนโยครอนจิตให้เกิดการวังวันไว้กรกดานให้แสดงออกมาทางกายทางวายาเ ป, เป็นทุจริตทางกายทางมารา ก, ก็เป็นภาพที่เห็นกันอยู่ปัญหาจึงไม่ใช่อยู่ตรงนี้ปัญหานี้เป็นการรู้โลกเป็นการเข้าใจโลกตามสภาพของความเป็นจริงและเป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายดูโลก เพศพวเธอทั้งหลายจะมวัวเพลิดเพลินด้วยเริงอะไรกันโลกสรรนิวาสนี้ถูกความมืดคุ้มห่ออยู่เป็นนิดเธอที่ถูกความมืดคุ้มห่อไว้ทำไมจึงไม่สแสวงหาไปที่เป็นเครื่องสองทางเล่าหรือพระพุทธธรรมหที่ตรัสว่าสู่เล่าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุราชรถที่พวกคนเขาขั้งคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้หาคล่องอยู่ไม่หรือพระพุทธํารมหักที่ตรัสว่าผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียว มีท้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้พูดนั้นจากพ้นจากบวงของมันเป็นการพูดถึงโลกในลักษณะเดียวกันเพื่อสอนให้ชาวโลกเข้าใจในแง่มุมต่างๆว่าวงมานคือรูปเสียงกลิ่นรสผุตภะได้ทำอารมณ์ได้พัดผันจิตให้ไหลไปในที่ไกลไหลไปดวงเดียวไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายถ้าใครสามารถมองเห็นความมืดบอด ด้วกระแสของอารมณ์เหล่านั้นที่ปิดบังส ต, ติปัญญาออกไปได้แล้วก็ใช้ปัญญาซึ่งประดุดแสงสว่างชั้แรกความมืดบอดในอารมณ์ออกไปได้แมก่ก็จะกลายเป็นผู้รู้เมื่อเป็นผู้รู้ก็จะไม่คล่องไม่ติดอยู่ในโลกแต่ในโลกนั้นมีทั้งผู้รู้และผู้ไม่รู้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ดูโลกที่เป็น ท, ที่อยู่ของคนสองกลุ่มคือกลุ่มผู้รู้กับกลุ่มผู้ไม่รู้ ว่าโลกนั้นมีอิทธิพลต่อบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นแตกต่างกันสําหรับผู้ไม่รู้ก็ค้องก็ติดก็ยึดมั่นก็สั่สายไปในอารมณ์ต่างๆแต่ฝ่ายผู้รู้อยู่ในจุดเดียวกันนั่นเองปรับไม่ค้องไม่ติดไม่ยึดมั่นในอารมณ์ทั้งหลายด้า น, นเรื่องของกระแสของอารมณ์ก็ดีกระแสของกิเลสก็ดีเป็นธรรมดาของโลกของสัตว์โลกทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปโดยเงื่อนไขกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งในตามรุธศาสนาก็สอนในแง่ของสิ่งที่ควรกำหนดรู้และสิ่งที่ควรละเอาไว้ผลจะเกิดขึ้นแก่บุคคลได้ก็โดยการประพิปฏิบัติให้ทำให้สมควรแก่ทมปฏิบัติชอบชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมตามที่ทรงแสดงไว้นั่นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป